เป็นวิสูสมภาเน์ทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ยังเป็นวันที่ยี่ิบสามกรกฎาคมสองพันห้าอยี่ิบเจ็ดเป็นตอนที่สามสำหรับวันนี้การบันทึกแล้วก็การบันทึกนี้อย่าลืมว่าผมยังอยู่ในการป่วยไข้ามาสบายอยู่มาก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 ว่าประเดี๋ยวเวลาผมตายคนนั้นเขียนประวัติคนนี้เขียนประวัติมันก็อาจจะเขียนไม่เคยถูกไอ้ความก็จุ๋งก็จริงก็จิงจิ ง, จงเขียนมาก็จะเกิดเป็นการขัดแย้งกันความจริงผมเองผมก็รู้ประวัติผมไม่หมดเหมนกันมันจําไม่ได้ครับเรื่องมานานมาแล้วไอ้เวลาการผ่านมาถึงเจ็ดสิบปี คนจำอะไรไม่ได้ดีบางอย่างน่าจะจำได้ก็จำไม่ได้เอาคุยกันต่อไปกระรองความว่าอารมณ์ที่ท่านฝึกได้แล้วขอเตือนไว้นิดหนึ่งยังไงยังไงแล้วก็หนีนรกกันบรรดาญาโยมพท้ปิสัตย์ก็เช่นเดียวกันมันจะหนีพ้นหรือไม่พ้นก็พยายามวิ่งหนีเข้าไวก้กแล้วกันอันดับแรกอย่าประมาทในชีวิต คิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายยังไงยังไงเราก็ตายกันแน่ในการอีสองก่อนอ่ะตายยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเพราะว่าพระพุทธเ จ, จ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยทําบุญกุศลอย่างอื่นตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ทวนอย่างน้อยที่สุดนับเพียงขึสวรรค์ก่อนก็ยังจะดี ต่อไปเป็นพริมเป็นนิพพานนั่นก็ว่ากันทีหลังก็ได้ยศสวรรค์เป็นเป้าหมายไว้ก่อนการที่จะไปสวรรค์ได้จริงจังมั่นคงจะไม่ลงอวัยภูมิก็คือทรงสินห้าบริสุทธิ์ <c oughs> สินหานะ้าในจริงๆรผมคิดว่าควรจะเป็นบวกกับกรรมทจิตถ้าเป็นสินหา้าจริงจจะสร้างความระเทือนใจแก่บคนอืน่น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 ถ้าเราเกิดจิตไม่นิยมมนุษสโลกที่มโลกเราเป็มนุสโลกร่างกายไม่นิยมร่างกายด้วยความจริงใจเราก็ไปนิพพานก็ติของพ่อสดนี่ดีมากกขบรรดาท่านพุทธบริษัทและญาติโยมน้อยหลายพยายามปฏิบัติทำตามไม่ถือท่านตัวท่าน ต, ตายในความดีของท่านยังไม่ตาย <c oughs> ผมยอมรับนักถือองค์นี้ ว่าท่านมีความดีจริงๆวิชาความรู้นี่ผมก็ติดกับท่านไปเยอะที่นำมาใช้นี่ก็เอาของท่านมาใช้เยอะเหมือนกันว่าท่านก็บอกว่าเป็นของพระพุทธเจา้าแต่ผมไม่ใช่ของท่านก็ตีท่านค้นคว้า ม, มาเป็นพระองค์แรกที่ทําให้คนมีความเข้าใจเรื่องสวรรค์นรกและชัดแจ้งแจ่มใสเรื่องนิพพานด้วยแต่ก็น่าแปลก หลพ่อสดกับผมก็คล้ายกันอีกอย่างถูกด่าแหลกเหมือนกันด่าท่านเท่าไรท่านก็ยิ้มตลอดเวลาผมก็เลยจํายิ้มเขาท่านมาแต่ก็เขาได้โปรดจะมาด่าตัวหน้าเขาแล้วกันไม่หน่าไม่แน่ใจจะยิ้มออกจะไม่ออกถ้าด่ารับหลังด่าไปเถอะใดไงก็ด่าไปอย่าเข้ามาด่าใกล้ๆด่าไกลๆ ไ, ไม่ได้ยินไม่เป็นไร ถ้าดาให้ได้ยินผมประกาศแล้วนี่บอกผมไม่ใช่พระอาหารหันต์ผมไม่ใช่พระอนาคามีผมไม่ใช่พระอาาริยะผมไม่ใช่พระป ร, มมระสงชานผมมีคติอย่างเดียวบวต้องการนิพพานจะไปได้หรือไม่ได้ก็ฉันจะไปได้ก็ต้องการจะไปยังไม่ได้ก็ต้องการว่าใจมันต้องการมาตั้งแต่กำเนิดแล้วก็อยากจะไป ชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นก็ไปได้ก็ที่เวลาเราเกิดมาเพื่อแก่กว่าจะแก่ถึงเจ็ดสิบปีมันใช่เวลานานมากมันก็ยังแก่มาได้ดเรื่องนิพพานที่เราไม่ท้อถอยทาไมจะไปไม่ได้ใครคิหาว่าเราไปยังไงก็ช่างเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็แล้วกันพระพุทธเจ้าสอนคนในทุกคนไปนิพพาน แล้วก็ต้องการปฏิพันธ์อย่างพุทธเจ้าท่านบอกท่านบอกธรรมะของท่านให้เลือกปฏิบัติที่เห็นว่าคนปฏิบัติไม่ใช่ยกว่าเทกะบิไม่ใช่นอนหนังสือเล่มใหญ่ๆมาก็ทำอย่างนั้นทุกเพอคำไ ม, ไม่ไม่มีผลแล้วขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนและเพื่อนในโสสม น, นีจงอย่าทำตนเป็นเป็นเถนไมลานเปล่า ไปที่ไหนก็คุยฉันเรียนจบเป็นนั่นฉนเรียนทึงนี่ฉันเรียนทึงโนดไอแค่เรียนเนี่ยมันไม่มีผลหรอกมันต้องปฏิบัติกับคนที่เขาไม่เรียนเลยเขาปฏิปันิพานได้แต่งเยอะอย่างสมัยพระพุทธเจ้าตาสีตาสามมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเขามีความเข้าใจประลุมักผลเป็นพระอาหารหันต พร้อมปริชมิทายานและตอนนี้ความรู้พุทธศาสนาทุกอย่างก็เข้าใจหมดที่ความรู้จริงๆมันมาจากผลการปฏิบัติไม่ใช่การเรียนหนังสือโดยเฉพาะที่เรียนหนังสือโดยเฉพาะประกาศตนว่าเป็นผู้นําความดีไปให้แบกความดีไปให้แต่ในที่สุดตัวเองเละเเลือกไม่ไหวนับไม่ถวน ก็ลงความว่าอย่าประมาทคนที่เขาเรียนรู้มากเข้าดีก็มีเขาปฏิบัติจริงก็มีคนที่เรียนรู้มากไม่เอาไหนก็มีคนที่เรียนรู้น้อยมีความปฏิบัติจริงเขาถึงขั้นสูงสุดก็มีคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยพอเขามาปฏิบัติเฉยๆนี่ผลสูงสุดก็มี <c oughs> ก็ลงความความดีหรือความชัว่วมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติ ดังนั้นขอบันดาทั้งรบริษัทถ้าเรายังไม่ตายก็จงยายช่วยกันทําบ้านเมืองให้วุ่นวายช่วยกันทําบ้านเมืองให้แบบมีแต่ความสุขอีอหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายก่อนจะตายจากความเป็นคนเราต้องเป็นคนดีตายเป็นผีจะได้เป็นผีดีเป็นผีเทวดาเป็นผีพรหมและเป็นผีนิพพาน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 ในด่านกายด้านวาจาไม่พูดความไม่จริงพูดแต่วาจารจริงไม่พูดคำหยาพูดแต่วาจาไพเราะไม่พูดยั่ยุ ย, ยสงส่งเสริมเขาแตกเล่ากันแล้วไม่นินทาเขาพูดแต่วาจารสร้างสสงความสามาัคคีไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์วาจาใดที่เป็นประโยชน์ที่กันงสองฝ่ายเราพูด แล้วก็ไม่ดื่มสุรามีไรกำลังด้านใจไม่คิดจะลักขโมยยากได้ทรัพย์สมบัติเขาใข่ใจไม่คิดเลยไม่คิดจะมีค่ากินข่าประหลัประหารไครทำความเห็นให้ถูกว่าอันใดสิ่งใดเป็นไปใจของความสุขกับเรารับกับเพื่อนร่่มหลกเราจะทำอย่างนั้นแค่นี้บ้านเมืองจะมีความสุข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 ในความหมายผมเห็นว่าวิชาความรู้ที่ผมสอนพุทธิคิดเขาก็มาิงกันเยอะพิพัฒน์สลามก็มาดีกันเยอะแล้วก็ท่าของเขาไม่มีของเรามีถ้าบรรดาเพื่อนวิสุทธิสมณีทั้งหลายแต่ผมนั้นไม่สามารถนะผมก็ได้แต่ความรู้เป็ดเป็ๆแค่นี้แหละความสามารถยิ่งใหญ่จริงจังขอผมไม่มี ถ้าทุกคนใช้หลักสูตรงวิชาสามและวิญญาหกไม่ใช้เป็นปกติสําหรับพระคารวแตนะ่ผมไม่ไปพูดเกี่ยวเข็นแบบนั้นหรอกพระก็ไม่ได้เกี่ยวเข็นแต่พูดตามความเปจริงเพราะถ้าเราจะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่จริงๆพุทธศาสนาจะคงอยู่ได้เพราะความเดิมใสของคน ก็ชาวบ้านชาเมืองมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสในพระสงฆ์พิสุสวรรณาในพระพุทธศาสนามีความเข้าใจแล้วตายแล้ ว, ลวเกิดหรือไม่เกิดศูญหรือไม่สู์นรกมีจริงไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสนรกมีจริงเราอย่าฝืนท่านหาทางแนะนํนนาญาติโยมพุทธกบริสัทธให้เห็นนรกสวรรค์เป็นสุกยัยเห็นสิ่ ง, งต่างได้ดึก ทิฏฐิ จ, จุคุ ย, ยานในหลักสูตวิชาสามให้เข้าใจว่าตายแล้วมันสูญด้วยกำลังบเบาุกปีนีวาสามัญคือระลึกชาติแค่นี้แหละขอรับเพื่อนที่สุดสมเนยพระพุทธศาสนาไม่ไปไหนท่านเยนววาท่านที่สอนเวลานี้นักเจริญสำนักกรรมฐานเยอะทุกแห่งเต็มได้วยความเจริญรุ่งเรือง แม้จะอยู่ในป่าในเขาก็รงเรียเพราะว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมีความเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นจริงเห็นจังตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะ้วก็ท่านคนนั้นเป็นเจ้าของถิ่นเป็นเจ้าของสำนักท่านมีความรู้ความสามารถในการแนะนำเพราะนั้นคนจะไปหาท่านมาก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 อย่างผมได้มากระจุงว่าจริงจะเป็นวิชาสามจริงก็ไม่ใช่จะเป็นอภิญญาก็ไม่ใช่าอวิญญาไม่ใช่แน่แต่การเตรียมตัวควิญญาอาจจะมีบ้างมีก็ไปส ะ, สะเก็ดเศตเลยเลยถ้ายังงั้นการไปอเมริกาปีที่สองคือปีพศ .2527 ฝรั่งมาปฏิบัติทำได้กันเยอะคอแคล่วมาก ตอนนี้ก็ต้องขอบใจนกเปิลปญานุตาไหลเป็นคนสอนกับคุณวีรัตเพพระวีรัตเทวธาสุนีเขายอยมริการมาหลายปีเป็นคนสอนเขาพูดภาษาฝรั่งได้ไอผมนั่นไม่ได้สักคำภาษาฝรั่งริงเขาก็ไม่เรียกว่าเจีย๊ยะแต่เจีย๊ยะเขเรียกได้ไม่รู้เขาพูดยังไงแล้วกินไม่ถูกก็ต้องใช้ภาษาใบกัน พด้หลังฝรั่งมันค่าเขาได้กัะเยอะแยะคล่องตัวเขาสอนงินแค่สิบนาทีแล้วลึกชาติได้ทันทีเนี่ยตั้งเปิาปั ญ, ญาลูกตาไหลเธอยังมีชีวิตอยู่ใครสงสัยก็ไปคุยกับเธอแล้วกั น, กนเธอเป็นคนสอนและเรื่องการรู้อะไรต่ออะไรเราพิสูจน์กันแล้วฝรั่งคนนั้นไม่รู้เรื่องถามและก็ตอบถูกหมด เอ้สิ่งที่ถูกไม่ใช่ถูกเฉพาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นคือชาติก่อนเขาก็ชาตินี้ชาตินี้เวลานี้อะไรอยู่ที่ไหนเธอตอบได้ทันทีอันนี้เป็นปขึ้นไปสู่นึเรงความรู้ <c oughs> แต่ความรู้นี่จะยืนยงคงทนได้นานไม่นานเพียงใดก็ขึ้นกับกําลังใจของเธอสำหรับผมเองผมก็มายืนยันเหมือนกันจะเผลอล้มนละล้มก็เปล่าก็ไม่ทราบ วันนี้ช่วยไปนะเวลาหมดไปเกือบยี่สิบนาทีนี่หมดไปสิบเจ็ดนาทีแล้วก็เลยจะขอบ่ายที่เป็นบ้าสุดท้ายสำหรับหนังสือเล่มนี้อันนี้ให้เขาทำเป็นหนังสือด้วยนะแต่หนังสือนี่จะทำเล่มใบโตอยากบันทึกเป็นเสียงไม่เล่มละสิบคัดเสร็จ ถ้าจบสิบก็เสร็จถือว่าหมดเรื่องกันทีเป็นเล่มหนึ่งเล่มแต่ยังไม่จบมันจะมีเรื่อยๆไปจนกว่าผุทธยเล่าเรื่องไปต้องถึงตอนทอมพพเกิดหนอนถอยหลังลงไปแล้วก็ยังย า, ยาวต่อไปว่าหลังจากที่บันทึกการทหนังสือนี้แล้วได้พบอะไรบ้างจะว่าต่อไปอถ้ามีแรงเท่านี้ไม่แน่ ผมไม่ยืนยนันเหมือนกันเพราะเวลานี้ผมพูดพ้นนอนพูดมันจะพูดไปได้เท่าไรก็ไม่ทราบก็ขอบ้าต่อไปเหลือเวลาอีสิบนาทีเสร็จเสียทันที <c oughs> บ่ายสักทรหนึ่งทัดเสร็จนี้ก็เข้าไปคอนานาละคือว่าขอบ้านเรื่องแผ่นดินไหวไอ้คําว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องพูดกันชัน เกิดความจริงต้นเหตุแห่งแผ่ดนดินไหวว่าแผ่ดนดินไหวเพราะอะไรเมื่อปีพศ .2526 เดินประสาคมใายที่ลูกสิษลูกหาลูกหลานที่จังหวัดอเมิกาขอโทษลอดจังหวัดเขาแล้วที่ประเทศอเมริกาเธอเดินทางมาศึกษาพระกรรมฐ า, านที่ประเทศไทยบ้าง ที่ยังไม่มาก็รับเทปบ้างเนังสือบ้างไปฝึกกันกำลังศรัทธาของเธอดีมากผมรักเงินของเธอทีไรกำลังใจก็เต้นตึกตึกทุกทีทั้ทงนี้เพรา อ, อะไรเพราะทราบว่าทุกคนที่ไปประเทศอเมริกาต้องการจะหาเงินห้าทองมาสร้างตัวแต่ทว่าในเมื่อเธอต้องทำบุญ ก็ตป็นเชือดเนื้อเถือนหนังของเธอเลือดออกโชกสมมติเอาเอามาทำบุญก็เกรงว่าเธอจะลำบากแต่ว่าทุกคนก็พร้อมบอกยอมรับก็ตั้งใจทำบุญจริงก็ดีใจจึงเด้เตือนว่าการทำบุญทาแต่พอควรอย่าให้หนักเกินไปจะเดือดร้อนภายหลังต่อมาเธอขอศาสนาไปอเมริกา ใช้เวลาสามปีผมก็มันไม่ค่อยสบายเล ต, ตัดสินใจว่าสองพันห้าร้อยี่ิกคุสภาไปแน่ <c oughs> ตอนนั้นก็ยกขยงกันไปประมาณ 20, ยี่สิบดคนอย่างน้อยก็ยังน้อยกาสองพันห้ารอยยี่สิเจ็ดที่จะได้ยกขยงไปสี่ิบสามคนที่ไปไม่ได้เที่ยวกัน โอกาส จ, จะเที่ยวไป ม, มีไปมุ่งอย่างเดียวคือธรรมะรวงความผมตั้งใจเ็ไปปล่อยที่อเมริกาเป็ดคือผมคือความรู้เป็ดๆนี่เอาไปปล่อยที่ประเทศอเมริกาการไปปีที่แล้วทัวเขาจัดให้ทัวจัดเขาก็ไปแวะฮ่องกงเอ้าโทษเขาก็ไปแวะฮาวายก่อน นั่งเครื่องไปฮาวายนี่ไม่รู้วมันมืดเมอะไรเอาถ้าจากไทเปคั่มไปสิงคโปร์ก่อนเอาจากถึงสิงคโปร์เปลี่ยนเครื่องก็ไปไทเปไทเปเริ่มคั่มไฟฟ้าสลัวสลัวถ้าจากไทเปมุ่งหน้าตรงไปฮาวาย <c oughs> เครื่องบินไปได้หน่อยเดียว เวลาหยิบนาฬาขึ้นมาตีสองของประเทศไทยเห็นแสงสว่างมันสอดมาข้างๆเครื่องบินอะไรกันแน่ลองเปิดหน้าตา่างดูแสงพระอาทิตย์ตายจริง น, นี่มันสว่างนะตีสองประเดี๋ยวเดียวก็อาหารมาเสิร์ฟก็ต้องกินก็ต้องใช้เวลาที่มันสว่างที่ไหนกินที่ไหนเขาเรียกมาอะไรกินที่นั่น จะไถือว่าอย่างตีสองกินยังไงพระพุทธเจ้ามานจะบอกตีสองพระพุทธเจ้าบอกแสงอาทิตย์ขึ้นอารุณ์ที่สองขึ้นแล้วก็กินได้นแสองอาทิตย์สว่างเจ้าไม่ใช่ตีสองเป็นที่ทลายก็ไม่ทราบก็กินได้พอไปถึงฮาวายขอเล่าลัดๆเขานําไปพักที่พักที่พักก็สบายมีเป็นหน้าที่ของทัวรจะพาเที่ยวนอนเที่ยวนี้ วนแรกไปถึงก็งงกันไปหมดคนอื่นงงแล้วไม่งงก็ไม่ทราบไอ้กลางคืนมันเริ่มเป็นกลางวันกลางวันเริ่มเป็นกลางคืนชักแกยุ่งกันใหญ่เขาก็นั่นั่งสซึมกันเลยอยู่ในห้องพักแต่คนเดียวตอนเย็นดร์ปัญญาโุตัลัยเธอก็ไปเช่ารถรถเก๋งจะมีเช่าเขาวิ่งเที่ยวเธอถามหลวงพ่อไปไหมเขาก็บอกว่าไป ไปไม่รู้ไปไหนเฮ็เลร์ลังวิ่งคึบคึกคึคึกไอฮาวายอากาศมันดีก็นัที่นั่งไปก็ถามดเตรปัญญาว่าเออนี่มันยังไงกันแน่การที่มาครั้นี้เขาช่วยค่าเครื่องบินเธอเธอก็ไม่รับเอาไปคืนในความจริงไม่ใช่สตังค์ของผมสตังค์เขาญาติโย่แล้วกเตอรนีปัญญาเนี่เคยเคยเดีนที่อเมริกา คล่องในประเทศอเมริกามากเรต้องหาคู่ของคล่องไปแล้วก็ได้ประโยชน์ใหญ่จากเธอจริงๆประโยชน์ใหญ่มากการเดินทางก็ดีการพักผ่อนก็อร่อทั้งหมดเป็นภาระของเธอดีจริงๆมาจะติดต่อการเดินทางไปไหนก็ตามรู้สึกว่าเธอคล่องแต่ทุกคนก็ดีแตทุกคนเนี่ยเขาไม่ชินก็ไม่ชินจริงๆก็คุณวิรัต อีกคนหนึ่งทึ่งกลับมาจากอเมริกาเราจะนั้นกรยอมมียมปริ่มปรุง อ, อะไรเซเลนีก็ไม่ทราบนี่เป็นตุงงระเซเลนีอันนี้เคยเป็นกงสนไทยไประจำฮ่องกงก็เข้าใจภาษาตามประเทศได้ดีกระงกความดรป ร, ริยาเธอมีความคล่องตัวมากเธอก็พาไปเที่ยว นั่งไปแล้วถามว่าเขาให้สตางาค่าเครื่องบินทําไมจะไม่รับเธอก็บอกผมจะไม่ต้องรับแตครับหลวงพ่อให้ก่อนหลวงพ่อจะมาเนี่ยฝรั่งมันจ้างผมให้คน้นพายเหตุผลพื้นดินไหวมันมันมาจากเหตุอะไรเจอธรรมชาติ <c oughs> ให้ธรรมชาติทำยังไงพื้นดินจึงไหวก็ถามเธอว่าความจริงนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆเหมือนกัน เรื่องแผ่นดินไหวพระเจ้าตัไดไปแปดอย่างได้ ก, ก่อนธรรมชาติแตมันมีอยู่แต่ธรรมชาติมันทํำยังไงแผ่นดินถึงไหวอย่าลืมว่าแผ่นดินนั้ไม่ใช่กระต๊อบนะครับกระต๊ตอบลมพัดมาไหวได้แผ่นดินมันใหญ่มันหนักเหลือเกินมันไหวเพราะอะไรเตยก็บอกว่าเหตุจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าข้อมูลละเอียดจะไม่ทราบ คือว่าแผ่นดินเนี่ยมันมีการแยกตัวเป็นร่องภายในแล้วก็มีลมเกิดขึ้นแผ่นดินไหวก็พูดกันนน้อยทำนี้ไม่ทำอะไรอีก <c oughs> ต่อไปก็คุยเรื่องอื่นไปผมก็ไม่ติดใจเรื่องแผ่นดินไหวเมืรู้ไปแล้วก็แข่นั้นรู้ไปแล้วผมจะไม่แก่เพราะาแก่ทุกวันรู้แล้วผมจะไม่ตายเลยผมก็ตายผมก็ต้องห่วงผม พผลว่ากำลังใจเขาผมดีและเลวขนาดไหนไม่ยาไปนรกหรือไปสวรรค์กันแน่แค่นี้เองที่โหนจริงจริงห่วงตัวเองพอหลังจากการเที่ยวแล้วก็ค่ำหน่อยก็กลับยังชอบฮาวายว่าเขามีภูเขาป็นที่อาศัยบ้านเับหลกั้ยก็คือไฟฟ้าสว่างเพิบสวยงามมากแล้วหนักใจนิดว่าไอ้คนบนยอดเขาไม่กินน้ำที่ไหน ในกรุงเทพเราอยู่เพื้นดินแท้แทนน้ํายังไม่ค่อยจะมีกินไม่ไม่ไมสะดวกแต่นั่นที่ฮาวายไปเกิดไปตั้งบ้านยอดเขาแกก็ต้องกินลมใช่ไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่เข้าใจว่าฝรั่งเขาไม่กินลมเขาต้องกินน้ําเป็นนะว่าเรื่องนี้ไม่ต้องคิดกลับมาที่ที่พัดเห็นในห้องก็มีโทรทัศน์มองโดยกา ร, รไม่รายการข่าว ก็เราเปิดโทรทัศน์ดูผมไม่รู้ว่าสาฝรั่งกับเขาผมเห็นภาพเขานนั่งเดาเล่นโกโ ก, โก้มันเพลินดีพราะจบข่าวก็ปิดเพราะลูกตาผมเวลานี่มันเสียจะแล้วถ้าดูโลกคนละครมันมองไม่เห็นมันเห็นชัดแต่ข่าวเท่านั้นเองแต่ข่าวได้เห็นชัดจริงๆก็รวมความว่ามาถึงการเวลา ยันนอนพันนอนลงไปตามปกติของพระเวลายันนอนทำยังไงก็ทราบกันอยู่แล้วยังไม่นอนนึกเน้นนอนก็มีสติคลายถึงกันนั่นก็คือทาจิต ท, ที่เป็นสุขก่อนพอนอนจับอานาปานุสติเริ่มจับลมพืชเดี๋ยวให้ใจเข้าไม่ทันให้ใจออก เห็นภาพพระพุทธเจ้าธรรมจีนเดินกห้ใกล้ๆภานาสวยงามมากในภาพทรงแย้มพระโอษฐ์อนี้ใครอยหาผมบ่าภาพก็ตามใจพระพุทธเจ้าเป็ภาพพระเจ้ามันชอบบาาตามบ่ายเห็นพระเจ้าผมอยากบาาตลอดทุกวินาทีของชีวิตที่ผ่านที่ทรงอยู่แล้วก็ดียินเสียงท่านถาม ว่าเธอสงสัยเรื่องพนินไหวหรือก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าสงสัยพระพุทธเจ้าค่ะถ้าบอกว่าสงสัยทําไม่จะไม่ถามก็ตอบกับท่าว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องของโลกไม่เป็นสาระมันเป็นการสารให้ทำก็ไม่กล้าถามแล้วก็ไม่กลา้าจะยุ่งเพราะว่าจิตจะวุ่นวายแต่ก็บอกไม่เป็นไรมันเป็นสาระไม่ใช่ไรสาระ ท่านไม่ได้บอกท่านบอกอาถ้าอยากจะรู้ก็ตามฉันมาตอนนี้ในเรื่องแวบเดียวลงไปใต้ดินเลยปเป็นดินมันเป็นร่องใหญ่โอ้โหจะว่าเป็นแม่น้ำนี่ไม่ใช่แล้วบางจุดมันกว้างแบบทะเลน้อยๆไอทะเลใหญ่ๆเ้ากว้างเาเท่าไหร่ก็ไม่รู้คือโซนที่กว้างที่ห่างจริงๆมันเป็นใหม่ๆ บางทีที่เจ็ดไม่ก็มีกว่าก็มีกว้างมันก็เป็นล่องลึกเลยไปผมก็ตามในในความรู้สึกว่าตามท่านไปได้ได่เป็นรอบโลกไอร้รอยแตกข้ามดินนี่มันรอบโลกจริงๆแล้วก็นในรอยแตกข้ามดินนี่มองดูพันดินข้างใต้มันเหมือนกับดินผสมน้าเป็นโคลนอยู่มันเดือดปุดปุดปุดปุดปุด ก็เลยบอกว่าพันดินจริงๆข้าล่างมันแตกแตกแยกกันอย่างนี้ร่องมันใหญ่มากเ้ราความเป็นพันดินไหวเคยจะเหตุนี้นด็อกเตร์ปัญญาเธอพูดว่าตอนนี้ผมก็ทิ้งเทาง่านี้เมื่อทิ้งเท่านี้มันก็เป็นพอดีกลับแล้วกลับจากวันนั้นวันนี้ก็ต้องไปเหมือนกันท่านี้พ่อเพราะเวลาสัญญาณสองเครื่องบอกเวลาปรากฏวันเลิกเถอเขาต้องขอลาก่อน และฟังบัณการคัศเหน้าขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุ่นผ ล, ผลจงมีเดีบรรดาทถิดพุทธศาสนิกชนเรื่อพ้อนวิสุทธสัมนนเนู้รับฟังทุกท่านสวัสดี